ตั้งใจฟังให้ดีการฝึกสมาธิคือหัดใจของเราที่มันไม่สงบให้มันสงบคพาว่าสมาธิคือการทำใจให้สงบใจของเรา ถ้ามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านคิดนั้นคิดนี่คิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องโ น, น้นฟุ้งซ่านไปอย่างนี้เรียกว่าใจไม่มีสมาธิถ้าคิดเรื่องไหนจิตก็อยู่ในเรื่องนั้นอย่างเดียวไม่คิดก็นิ่งอยู่สงบอยู่อันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ เราท่านทั้งหลายที่มานี้ก็หวังที่จะฝึ ก, กจิตที่ไม่เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็ให้ยิ่งขึ้นไปให้มีความละเอียดตรงไปอีกคือให้สงบแน่ๆลงไปอีกละเอียดลงไปอีกสมาธิมีอยู่สามอย่าง ห น, นิกะสมาธิจิตสงบนิดหน่อยแล้วก็ฟุ้งซ่านต่อไปอุปจาระสมาธิจิตสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิ คือสมาธิใกล้จะเป็นฌานแต่ยังไม่ถึงคือจะเป็นอัปปนาสมาธิแต่มันยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิมันเข้าๆออกๆกิจเราก็สงบไม่ฟุง้งซ่านนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่ แนวแน่เป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์อื่นใดเลยมีแต่ความรู้สึกสงบอย่างเดียวนิ่งแน่วอยู่ตลอดไม่รู้จักว่าภายนอกนี้เป็นอย่างไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีแขนขามีแต่ความรู้สึกที่แน่วแน่อยู่ คือไม่รับรู้ภายนอกเลยแต่มีสติรู้อยู่กิตนิ่งเป็นหนึ่งอยู่เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือสมาธิแน่วแน่เต็มที่เราก็ฝึกหัดกันฝึกหัดสมาธินี่แหละตามลำดับขั้น ใหม่ๆก็ไม่รู้จะทำยังไงกิจมันก็คิดนั่นคิดนี่เราก็หาเครื่องอยู่ให้มันหาสิ่งที่ให้กิจของเราอยู่ได้จะเป็นวิธีปฏิบัติแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างหลายอย่างหลายครูบาอาจารย์แต่รวมแล้วก็อยู่ภายในสี่สิบวิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดแสดงไว้การฝึกสมาธิมีอยู่4ี่สวิธีจะเอาแบบไหนก็ได้แต่ในที่นี้เราเอาอนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ใจของเราเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก จนวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่รู้อย่างเดียวแล้วก็สอนต่อไปอีกให้สูงขึ้นไปอีกจนถึงมีมรรคมีผลมีพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นแหละเราต้องฝึกหัดถ้าเราไม่ฝึกหัดจิตเราก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่มีสุข ถ้าเราฝึกหัดแล้วจิตของเราก็จะมีสุขมีความสงบมีความสบายอยู่ภายในถ้าเราหัดชำนิชำนาญเข้าได้ออกได้ทุกเวลานาทียิ่งดีเลิศยิ่งดียิ่งประเสริฐ ทีนี้เราจะฝึกยังไงล่ะอนาปานนัสตินี่เราจะทำให้สงบได้อย่างไรให้เราหายใจเข้าลึกๆให้ทำตามที่อามารบอกนี้หายใจเข้าลึ ก, ลกแล้วก็หายใจออก หายใจเข้าหายใจออกลมกระทบตรงไหนที่เราสามารถกําหนดรู้ได้ให้เอาสติของเราไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่ลมกระทบนั่นแหละลมมันพัดผ่านตรงไหนที่เราสามารถกําหนดรู้ได้ ให้เราเอาใจของเราไปอยู่ที่นั่นให้เห็นว่าลมเข้าลมออกกำหนดอยู่เพียงนี้แหละลมเข้าก็ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกก็ให้รู้ว่าลมออก ให้รู้อยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่ว่าลมเข้าลมออกให้เห็นลมเข้าลมออกอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจิตของเราจะสงบเป็นหนึ่งคือเป็นสมาธิลมเข้านี่ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นไปอีก ลมเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมเข้ายาวลมออกยาวก็ให้รู้ว่าลมออกยาวลมเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมเข้าสั้นลมออกสั้น ก็ให้รู้ว่าลมออกสั้นตัวของเรานี่มีแต่ลมทั้งนั้นก็ให้รู้ว่าลมมีทุกส่วนของร่างกายของเราก็ให้รู้ว่าเรามีลมทั่วไปหมดทั้งกายนี้ลมระ ง, งับลง แบจะไม่รู้ลมหายใจเข้าออกเลยรู้แต่ว่ามันนิ่งมันสงบมันระงับลงมันไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเลยนี่แหละวิธีปฏิบัติอนาปานสติให้เริ่มต้นรู้จักว่าลมเข้าลมออกอย่างมีสติให้หาตรงนี้แหละ ต่อไปก็หาลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นแล้วค่อยว่าไปอีกเอาเฉพาะาเรามีสติเห็นลมเข้าลมออกอยู่นี่แหละถ้าหัดอย่างนี้ใจของเราจะเป็นสมาธิ อาณาปานสตินี่เป็นวิธีปฏิบัติที่องค์สุเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปฏิบัติตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอายุเก็ดขวบก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นปฐมฌานสงบลงไปเป็นปฐมฌาน เงาต้นไม้พระอาทิตย์เบี่ยงเบนลงไปแล้วแต่เงาก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่เป็นที่เปลกประหลาดอัศจรรย์ของพระเจ้าสุธโธธนาะจนได้ก้มกราบลูกชายพระราอโอรถอวันที่จะได้ตัดสรู้พระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าหายออก อย่างละเอียดหมดทุกแง่ทุกมุมฝึกอย่างละเอียดจนบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ได้แสดงวิธีหัดสมาธิดโดยกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกในว้ เรียกว่าอาณาปานสติคือว่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีอันเดียวมันมีมากเราก็ปฏิบัติได้สองอันสามอันนี่ก็ดีอยู่แล้วถ้าได้ทั้งหมดมันก็วิเศษเลยฟ้าผ่าลงมาก็ไม่รู้สึก ถ้าได้ทั้งหมดฟ้าผ่าลงมานี่ไม่ได้ความรู้สึกเลยไม่กระเทือนเลยว่าเถอะสมาธิอย่างแน่วแน่อยู่ตลอดไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงฟ้าผ่าเพราะพระพุทธเจ้าเคยเข้าสมาธิอยู่ที่โรงกระเดื่อง ลงกระเดื่องก็คือที่เขาตำข้าวนั่นแหละพระองค์นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นจิตของพระองค์เป็นสมาธิอย่างเต็มที่ฟ้าผ่าลงมาวัวตายสี่ตัว วัวงานนะวัวที่แข็งแรงวัวที่เทียมเกวียนเนี่ยตายสี่ตัวอยู่ไม่ห่างจากพระ อ, องค์ไปเท่าใดนักประมาณเส้นสองเส้นนี่แหละคนสองพี่น้องที่เป็นเจ้าของวัวก็ตาย พ่อออกจากสมาธิก็เห็นแต่คนลุมดูอยู่ก็ถามเขาว่านี่เขาทาอะไรกันเขาบอกว่าท่านฟ้าผ่าท่านไม่ได้ยินหรือไม่ได้ยินท่านหลับหรือไม่ได้หลับแต่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าและไม่เป็นอันตรายต่อการที่ฟ้าผ่า นี่เรกว่าฝึกได้อย่างเต็มที่สมาธิหนักแน่นมั่นคงมากการฝึกก็ให้ทำอย่างที่อธิบายมานั่นแหละคอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมกระทบตรงไหนตั้งสติไว้ตรงนั้น ให้เห็นลมเข้าออกอยู่ตรงนั้นไ ม, ไม่ต้องบังคับไม่ต้องวุ่นวายจิดมันก็นฟูงงซ่านเป็นธรรมดาสำหรับคนใหม่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีมันก็คิดนั่นคิดนี่แต่เราไม่ต้องใส่ใจกับความคิดเหล่านั้น ถ้าเรารู้ว่ามันคิดนั่นคิดนี่เราก็รีบตั้งสติกำหนดรู้ลมใหม่เอากันอย่างนี้แหละก็จะพอไปได้กิจจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ต่อไปก็ฟังรายละเอียดของอนาปา น, น, นสตินี้ว่ามันมีอย่างไร ทั้งหมดข อ, อนิมนต์ท่านมหาภัยบู์อภิปุนโนผู้ในการศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีอ่านอาณาปานสติสูตรให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้ฟังขอให้ตั้งใจฟังต่อไปอ น, นามปาณสติที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีย น, นี้สงใหญ่ก็เธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เริอนวานก็ตามนั่งกู้ขา ก็ามาโดยรอบตั้งกายตรงนํำรงสติไว้เฉพาะหน้าตัวนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติระลึกถึงลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว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 ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทัง้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทัง้งปวงหายใจออกทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าว ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้หระงับอยู่ให้ใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติให้ใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติให้ใจออกทำการศึกษาฝึกฝน ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเขา้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งการปรุงแต่งของจิตให้ใช่ออกทาการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่ให้ใชยเข้าให้เราเป็นผู้ทาการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่ให้ใฉยออกทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิต ให้ปราโมทอย่างยิ่งให้ใ่ออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ให้ใช่เข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ให้ใช่ออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทมจิต ให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าไวเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกต่อย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าไวเราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยง อยู่เป็นประชจให้ใจออกทย่อยทำการศึกษาฝึกฝนไว้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประชจให้ใจเข้าไว้เราเป็นผู้พิจรารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประชจให้ใจออก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 มีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่หนึ่งนี้เราทำจิตของเราให้ดำเนินตามนี้ทั้งหมดเราก็จะถึงนุนผาระหันนั่นนหะเอาพุทธองค์ก็ด เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าใครจะฝึกไปได้ถึงไหนอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้เราตั้งสติคอยเฝ้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ไว้เรื่อยๆ ลมหายใจเข้าก็ให้ยรู้ลมหายใจเ ข, าาจออข้าลมหายใจออกก็ห้ยรู้ลมหายใจออกถ้ามันชำนาญดีเราสามารถควบคุมได้จิตเราเป็นหนึ่งเราก็ทําต่อไปอีกขึ้นไปเป็นเห็นลมเข้าลมออกสั้นยาวอืมือลมทั้งหมด ลมระ ง, งับลงอันนี้คิดเราก็เป็นสมาธิแล้วมันจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยมันจะนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเราก็คอยดูคอดูอาการที่ลมเข้าออกนะที่มันนิ่งลงไปนะเราก็ตั้งสติไว้ไม่ต้องตกใจว่าลมเราไม่มี อะไรต่างๆเราไม่ต้องไปกงังวลให้คอยรู้ลมอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อไปก็ฟังรายละเอียดอีกถ้าพูดมากมันจะจำไม่ได้จะเพราะว่าน้าไม่เป็นถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ผ่านการปฏิบัติ ว่าทำเป็นมันก็ผ่านการปฏิบัติให้คอยดูให้เห็นอยู่รู้อยู่สติตัวเดียวนี่แหละเป็นตัวช่วยเหลือในการที่จะให้กิจเป็นสมาธินะ่ะ สตินั่นแหละเป็นผู้ช่วยเหลือความพยายามไม่ท้อถอยมีความอดความทนมีความตั้งใจเด็ดเดเี่ยวอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราฝ่าฟันอุปสรรคคือความไม่สงบที่ไปได้นิวรน์ทั้งหลายก็จะดับไปจา ก, กจิตเรา นิวรณ์ห้านะ่มันจะดับไปจากกิตเราเราจะมีความรู้สึกสบายเป็นสุกกิเลสคือนิวรณ์ห้าดับไปเราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีกิตเราจะนิ่งแน่วเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้ามารบกวนได้เลยนี่แหละให้หัด อย่างพระก็คอยดูเหมือนกันเน่ะก็หัดแบบเดียวกันเน้นน้อยก็เหมือนกันหัดแบบเดียวกันคอยกำหนดลูลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันเพราะเราทุกคนมีลมยังไม่ตายหนึ่งยังมีลมอยู่ถ้าตายแล้วจึงไม่มีลมให้คอยดูคอยรู้อยู่งั้นแหะ หาดไปเรื่อย